จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้วันอังคารที่เจ็ดปงพาพันพุทธศักราชสหาเป็นวันพระวันธรรมมัชฌวนาวันฟังธรรมวันที่ท่านทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญบารมีเพือ่อพบชาติที่ดีที่จะตามมาและเพื่อการสิ้นสุดแห่งการไปเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดด้วยการมาทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่เป็นเหตุ ที่จะทำให้ผลที่ดีที่เลิศต่างๆคือภพชาติตั้งแต่ภพของมนุษย์ของเทพของพรหมของพระ อ, อริยเจ้าทั้งหลายเป็นผลที่จะตามมาต่อไปถ้าท่านวันนี้มารักษาศีลห้าท่านก็จะสร้างสวรรค์ชั้นเทพถ้ารักษาศีลแปด ก็จะสร้างสวรรค์ชั้นพรหมถ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วเกิดปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมก็จะสร้างอาริยมรรคอริยผลสร้างอาริยบุคคลขั้นต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาโกทั้งหลายได้สร้างจนสำเร็จแล้ว พวกเราก็เป็นเหมือนผู้ที่กําลังสร้างบ้านสร้างเรือนใจถ้าเราหลั่งมาทําบุญให้ทางมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเราก็จะสร้างบ้านคือสร้างเรือนใจของเราให้สําเร็จลุล่วงไปได้ดังนั้น ขอให้เราพยายามมาวัดกันบ่อยๆเพื่อที่จะมาสร้างเรือนใจเพราะถ้าเรายังไม่มีเรือนใจเราก็เป็นเหมือนกับคนที่ไม่มีบ้านเป็นคนที่เล่ร่อนต้องอาศัยอยู่ตามสถานที่สาธารณะต่างๆเช่นอาศัยใต้สะพานอาศัยใต้ทางด่วน อาศัยเรือนร้างที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยเป็นที่อยู่อาศัยไปทางผางแต่ถ้าพวกเราหมั่นมาสร้างเรือนใจกันอยู่เรื่อยๆอีกไม่นานเราก็จะมีบ้านอยู่มีเรือนใจอยู่ถ้ามีเรือนใจแล้วใจของเราก็จะอยู่อย่างรงง่มเย็นเป็นสุข มีความอิ่มนำสำลามใจมีความปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นถ้าท่านยังไม่สามารถรักษาศีลห้าได้เบื้องต้นก็ควรที่จะรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนอย่างน้อยจะได้ไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบาย ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกตายไปก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆขึ้นอยู่ว่าสามารถรักษาศีลห้าได้ในสุดมากน้อยเพียงไรถ้าท่านสามารถรักษาศีลห้าได้แล้วก็ควรที่จะเพิ่มเป็นการรักษาศีลแป เช่นในวันพระแทนที่จะรักษาศีลห้าก็เพิ่มรักษาเป็นรักษาศีลแปศีลแปนี้จะทำหรือจะช่วยส่งมให้จิตนี้ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมชั้นที่สูงกว่าชั้นเทพเพราะชั้นเทพนี้ยังเป็นชั้นที่ยังติดอยู่กับการเสพกามต่างๆ ยังติดอยู่กับการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผพิภัพเพราะในศีลห้านี้ไม่มีข้อห้ามไม่ให้เสกการมนั่นเองศีลข้อสามคือการเมสมิชาจาราเวรมนีแปลว่าละเว้นจากการเสกการมกับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของตนคือไม่ใช่สามีหรือภรรยาของตนจะเสก จะร่วมหลับนอนกับเพียงสามีหรือภรรยาที่ได้รับการแต่งงานกันถูกต้องตามประเพณีแต่ถ้ารักษาศีลแปศีลข้อสารก็จะเป็นอพรรมัจจริยาคือจะละเว้นจากการเสพการจะละเว้นจากการร่วมหลับนอน แม้แต่จะเป็นคู่ครองของตนก็จะไม่ร่วมหลับนอนจะไม่หาความสุขจากการเสพกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพภะจะมาเสพความสุขอีกแบบหนึง่งความสุขที่เหนือที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบ ของใจด้วยการภาวนานั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธ ท, ทำใจให้สงบใจสงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้รับจากการเสพการที่ได้รับจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนเพราะว่าการที่เราจะทำให้จิตใจของเราสงบได้ เราจำเป็นจะต้องละการมาสุขละการหาความสุขจากรูปสียนกลิ่นรสศีลข้อสามจึงเป็นอบ ร, รมัจจริยาจะไม่ร่วมหลับนอนไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับสามีกับภรรยากับคู่ครองของตนแล้วก็เพิ่มศีนข้อ6คือจะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหาร จะรับประทานอาหารเพื่อประโยชน์ของร่างกายเหมือนกับรับประทานยาจะรับประทานเป็นเวลาไม่รับประทานพร่มเพรื่อตามความอยากของตันหาของการมาตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารของเครื่องดืง่มชนิดต่างๆถ้าจะดื่มจะรับประทานก็จะเป็นเวล่างเวลา คือไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหรือถ้าจะให้เข้มข้นยิ่งขึ้นไปก็รับประทานมื้อเดียวเลยเพื่อจะได้ตัดปัญหาเรื่องของกามตัณหาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มไปได้หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จะไม่นับประทานอะไรอีกจนกว่าจะถึงวันใหม่ เครื่องดื่มก็จะไม่ดื่มจะดื่มแต่เฉพาะน้ำเปล่าๆนี่เป็นการตัดความอยากในกามเพราะว่าถ้าไม่สามารถตัดความอยากในกามได้จะไม่สามารถทาใจให้สงบได้นั่นเองจะเสียเวลากับการไปหากับการไปเสพกามต่างๆ เสรูปเสียงกิน่นรสโผธพะแทนที่จะนั่งก็นั่งสมาธิก็ต้องไปหาขนมมารับประทานหาเครื่อดื่มมาดื่มดังนั้นผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะได้ความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่เป็นความสุขของเราอย่างแท้จริงที่เราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ หลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วเราก็ต้องมาละการมาตัญหาละการมราคะความอยากความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นโน้นผละต่างๆแล้วก็มาเจริญสติทำควบคุมจิตใจไม่ให้ดิ้นไปคิดถึงเรื่องของรูปเสียงกลิ่นโนด ถ้าไม่สามารถควบคุมได้ใจก็จะฟุ้งซ่านก ร, ระสับกระส่ายกระวนกวนใจจะทำให้การกระทาจิตใจให้สมบให้เป็นสมาธิให้เกิดความสุขภายในจิตใจขึ้นมานี้เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นนอกจากศีลข้อ6แล้วคือไม่รับประทานหลังจากเที่ยมวันไปแล้ว ก็ยังต้องมีสิลข้อ7และข้อ8อีกด้วยสิลข้อ7ก็คือการไม่ใช้เครื่องต่างๆที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเพื่อมาให้ความสุขกับใจเช่นไม่มีไม่ดูไม่ฟังพวกบันเทิงต่างๆ ยิ่งดูหนังฟังเพลงหรือออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพราะนี่เป็นการไปเสพการไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดโอทภะเช่นเดียวกับการไม่แต่งเนื้อแต่งตัวหรือใช้น้ำหอมใช้เครื่องสมานต่างๆเพราะว่าเป็นการเสพรูปเสียงกลิ่นลดเช่นเดียวกัน ให้แต่งกายแบบเรียบง่ายธรรมดาธรรมดาไม่ต้องแต่งหน้าทาปากไม่ต้องใช้น้ำหอมให้เราอาบน้ำฟอกสบู่ก็พอแล้วความสวยงามของคนนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความสวยงามของคนอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจมีสี จิตใจนั้นจะเป็นจิตใจที่สวยงามถ้าจิตใจไม่มีสีถึงแม้จะใส่เสื้อผ้าอภรรท์ที่สวยงามแต่งหน้าทาปากหืีผ้าหวีผมทำผมย้อมผมก็จะไม่สามารถที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อื่นได้อาจจะสร้างความประทับใจเพียงระยะแรกๆ ตอนที่พบกันใหม่ๆเห็นกันใหม่ๆแต่พออยู่ร่วมกันไปเริ่มเห็นนิสัยที่ไม่ดีออกมาก็จะกลายเป็นผู้ที่น่ารังเกียจไปแต่ถ้ามีศีลแล้วจะไม่เป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่นดังนั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องการ ตกแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มีสีสันฉูดฉาดที่สวยงามหรือปะพรมน้ำหอมต่างๆใช้เครื่องสำอางต่างๆเพราะว่ามันเป็นความสวยงามที่หลอกลวงกันนั่นเองมันไม่ใช่ความสวยงามที่แท้จริงความสวยงามที่แท้จริงต้องออกมาจากใจ ที่มีศีลธรรมนี่คือศีลข้อที่7และศีลข้อที่8ก็คือจะไม่หลับนอนบนฟูกหนาๆ า, าะเป็นการหลับนอนเพื่อความสุขทางร่างกายไม่ใช่เป็นความสุขทางจิตใจและจะทำให้เสียเวลาต่อการทำความสุขให้กับจิตใจ ถ้านอนบนพื้นแข็งๆเวลานอนเวลาร่างกายได้พักผ่อนตามความต้องการก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะว่ามันไม่น่านอนนั่นเองนอนบนพื้นแข็งๆกับนอนบนพูหน้หนาๆนี่มีความรู้สึกที่ต่างกันถ้านอนบนฟูกหนาๆ หลังจากที่ร่างกายได้พักพอแล้วตื่นขึ้นมาก็ยังอยากจะนอนต่อจะไม่อยากจะลุกขึ้นมาก็จะนอนต่อไปอีกหลายชั่วโมงจะทำให้เสียเวลาต่อการมาปฏิบัตินั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบเพื่อให้เกิดความสุขที่เลิศที่ประเสริฐขึ้นมานี้เองนี่คือสีนแปด สำหรับผู้ที่ปรารถนาที่จะสร้างความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสทางร่างกายจำเป็นจะต้องตัดกามฉันทะคือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ด้วยการมารักษาสิงหแปดเมื่อรักษาสิงหแปดแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ควรไปอยู่ที่ ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพทัทที่ยั่วยนวนกวนใจถ้าไปอยู่วัดได้คือถ้าถ้าระหวังบ้านกับระวังวัดไปอยู่วัดได้ก็จะดีกว่าเพราะอยู่ที่บ้านคนอื่นเขาไม่รักษาสิงแปลกเดี๋ยวเขาก็ทำอาหารเดี๋ยวเขาก็เปิดโทรทัศน์เปิดวิทยุเดี๋ยวเขาก็ดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆ พอเราเห็นเข้าก็จะทำให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็จะอาจไม่สามารถรักษาศิ่งแปได้เพราะมีรูปเสียงขิดนสดผลพระยั่วยวนกวนใจผู้ที่ถือศิ่งแปและผู้ที่ปรารถนาความสงบสุขนี้จำเป็นจะต้องหาสถานที่ที่สงบ สังหดวิเวกที่อยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นถ้ามาที่วัดที่มีเป็นวัดปฏิบัติธรรมวันนั้นก็จะไม่มีพวกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะที่จะมายั่วยวนคนใจบางวัด น, นี้ไม่ให้มีไฟฟ้าเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องมีโทรทัศน์วิทยุมีอะไรต่างๆมาคอย ยั่วยวนกวนใจผู้ปฏิบัติวัดที่มีไฟฟ้านี้บางครั้งก็ถ้าควบคุมไม่อยู่ก็จะมีสิ่งยั่วยวนกวนใจเข้ามาอยู่ในวัดเต็มไปหมดมีโทรทัศน์มีวิทยุมีตู้เย็นมีอะไรต่างๆมาคอยลอดใจทำให้ไม่สามารถเจริญสติและนั่งสมาธิ เพื่อทำใจให้สงบได้นี่คือเรื่องของผู้ที่ปรารถนาความสุขที่เหนือกว่าความสุขของร่างกายผู้ที่ปรารถนาความสุขที่สามารถเอาติดตัวไปกับตนได้<ม>ก็จำเป็นจะต้องรักษาสิแปดให้ได้แต่รักษาสินแปดได้แล้วภาวนาทำใจให้สงบได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะมีความสุดได้เสมอไม่จำเป็นเหมือนกับผู้ที่ถือศีลห้าที่ยังจะต้องมีตู้เย็นมีโทรทัศน์มีเครื่องอำนวยความสะดวกชนิดต่างๆต้องมีคู่ครองมีสามีมีภรรยามีแฟนเพราะอยู่คนเดียวแล้วจะเกิดความรู้สึกว่าเวเศร้าส้อยหงอยเหงา ซึ่งเป็นอิทธิพลของการมาตัญหานี่เองเวลาเกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิ ภ, ภัแล้วไม่ได้เสกไม่ได้สัมผัสก็จะเกิดความ ว, าว้าเหว่เศร้าซ้อยหน้อยเหงาขึ้นมาดังนั้นพวกเราจึงควรเห็นโทษของการเสรกกรมเพราะว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดนั่นเองยาเสพติดนี้ ถ้าเวลาเสพก็จะมีความสุขแต่เวลาที่ไม่ได้เสพนี้จะมีความทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งดังนั้นถ้าเรายังติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพก็ขอให้คิดว่าเราเป็นเหมือนปลาที่ติดเบ็ดก็ลกันมันเป็นแบบนั้นจริงๆปลาที่ติดเบ็ดนั้นมีความสุขหรือไม่ มีความสุขก็เฉพาะช่วงที่ไปตะคุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเท่านั้นเองแต่พอถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากแล้วทีนี้ก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจเช่นเดียวกับผู้ที่เสดลูปเสียงกิ่นรดพลสะะซึ่งเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนั่นเองพอเสดเข้าไปแล้วก็จะถูกเบ็ดแห่งความทุกข์ทรมานใจ คือความอยากคือการมาตัญหาเกี่ยวใจเอาไว้ทำให้ต้องทุกทรมานใจทุกครั้งที่เกิดกามาตัญหาเกิดการมาราาะขึ้นมาแต่ผู้ที่ไม่เสพการได้ผู้ที่ถือสิ่งแปได้ก็จะปลอดภัยจากความทุกข์ทรมานใจ ที่เกิดจากการมาตัญหาเกิดจากการมาราคะเพราะว่าจะไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองเมื่อไม่มีความอยากอยู่ตามลำพังก็ไม่รู้สึกว้าวเวไม่รู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาและถ้าทำใจให้สงบได้ก็จะมีความสุขอย่างมากเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ ดังนั้นถ้าเรารักษาสิ่งแปดแล้วเราก็ต้องหาที่วิเวกสงบสงดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วขั้นต่อไปก็จะต้องเจริญสติอยู่ทั้งวันตั้งแต่ตื่นมาจนหลับต้องควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเพราะคิดแล้วจะทำให้เกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวเกิดความฟุ้งซ่าน ทำให้ไม่สามารถทำใจให้สงบได้ก่อนที่จะนั่งสมาธิได้จำเป็นจะต้องมีสติระงับความคิดตุ่มแต่งต่างๆก่อนการจเจริญสตินี้ก็มีหลายรูปแบบด้วยกันวิธีหนึ่งที่ง่ายก็คือบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดเรื่องต่างๆไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ ก็ให้เราบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปถ้าจะคิดก็ต้องคิดแต่เรื่องที่จําเป็นเท่านั้นถ้าเรื่องไม่จําเป็นเรื่องเพ้อฝันเรื่องเพ้อเจอ้อเรื่องที่คิดแล้วทําให้เกิดความหงุดหงิดลาคาญใจก็อย่าไปคิดให้คิดพุทธโธพุทธโธไปเอานั้งแต่เตน่นขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก่อนจะลุกไปทําธุรภารกิจต่างๆ ก็เอาพุทโธไปด้วยบริกรรมพุทโธพุทโธไปอาบน้าก็พุทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธรับประทานอาหารก็พุทโธเดินทางไปทำงานก็พุทโธระหว่างทำงานก็พุทโธพุทโธจนกว่าจะมีเวลาว่างก็หามุมสงบที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็นั่งหลับตาควบคุมจิตใจด้วยพุทโธต่อไป หรือถ้าไม่อยากจะใช้พุโทโธถ้าสามารถกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกโดยที่ไม่ไปคิดเรื่องต่างๆได้ก็ดูลมหายใจไปดูไปจนกว่าจิตจะรวมลงเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อจิตรวมลงแล้วจะพบกับความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนเวลารวมลงแล้วเราก็จะรู้เห็นว่าตอนนี้ไม่ต้องดูลมแล้ว ไม่ต้องบริกรรมพุทโธแล้วเพราะตอนนั้นจิตจะปล่อยวางทุกอย่างถ้าถ้าปล่อยวางมากๆก็จะปล่อยวางร่างกายร่างกายจะหายไปจากความรู้สึกหรือถ้าปล่อยไม่หมดถึงแม้ว่าจะได้ยินยังรับรู้ร่างกายอยู่แต่จะไม่มีอะไรกับร่างกายร่างกายนั่งอยู่อย่างไรจะเจ็บจะปวดอย่างไรก็จะไม่มารบกวนใจ ที่เข้าสู่ความสงบนี่คือความสุขที่เราจะได้รับจากการรักษาสีนแปดจากการเจริญสมาธิให้เจริญสติและเกิดจากการปรีกวิเวกไปอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลดิ่นรสห่างไกลจากคนถ้าอยู่ร่วมกันแล้วจิตก็จะต้องคิดก็จะต้องคุยกันเวลาคุยกันก็จะคิด พอคิดไปแล้วคุยไปแล้วก็จะเกิดความฟุ้งขึ้นมาอยากอยาคุกคลีกันถ้าอยากจะพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ต้องอยู่คนเดียวจะต้องอย่าไปจับกลุ่มคุยกันสนทนากันไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียเวลาไปเปล่าๆเพราะไม่ได้ทําให้จิตสงบนั่นเองแต่กลับจะทําให้จิตฟุ้งซ่านทําให้การทําสมาธินี้ เป็นของยากไปควาจริงการทําสมาธินี่เป็นของง่ายมากถ้าเราทําถูกวิธีเพราะพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านทํากันได้เพราะท่านรู้จักวิธีนั่นเองวิธีนี้ก็คือที่บอกนี่เองคือต้องถือศีลแปลต้องปลีกวิเวทต้องไม่คลุกคลีกันและก็ต้องเจริญสติทุกลมหายใจเข้าออก จะใช้คำว่าพุโทโธก็ได้จะจะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ถ้าดูแล้วใจไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดูเฝ้าดูร่างกายไปร่างกายกำลังทำอะไรร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้รู้อยู่กับร่างกายแล้วใจก็จะไม่ฟุง้งซ่านพอถึงเวลามีเวลาว่างนั่งดูลมหรือนั่งพุโทโธ ไม่นานใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเมื่อได้ความสงบอย่างนี้แล้วถ้าทำให้ชำนาญแล้วเวลาตายไปใจก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นคง น, นี่คืออนิสงส์ที่จะได้รับจากการทำใจให้สงบจากการรักษาศีลแปดจากการปลีกว้ยเวในเบื้องต้นจะได้สมาธิได้ความสงบ ถ้ายังไม่สามารถได้ทำที่สูงขึ้นไปกว่านั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแต่เป็นสวรรค์ที่ไม่ถาวรเพราะว่ากำลังของสมาธิก็จะค่อยๆเสื่อมไปเมื่อเสื่อมลงไปมากขึ้นกามะตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมาได้พอมีการมาตัณหาโผล่ขึ้นมาใจก็จะเสื่อมลงจาก สวรรค์ชั้นพรมมาสู่สวรรค์ชั้นเทพเพื่อมาเสพ ร, รูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพและถ้ามีการมาทันหามีกำลังแรงมากขึ้นก็จะเลื่อนลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลดที่หยากต่อไปหรือถ้าเป็นาวาระของการที่จะต้องใช้บาปใช้กรรมก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้าง ไปเป็นเปรตบ้างนี่คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติถึงแม้ว่าจะเป็นขั้นสมาธิมันก็ยังเสื่อมได้เมื่อเสื่อมแล้วพอกลับมากกอดเป็นมนุษย์ก็ต้องรีบสร้างขึ้นมาใหม่ต้องมารักษาศีลมาเข้าวัดใหม่มาฟังเทศฟังธรรมใหม่มาปีกวิเวกมาเจริญสติใหม่ ถึงจะกลับขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นถมได้ต่อไปแต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติธรรมที่สูงกว่าขั้นสมาทีได้คือทำขั้นปัญญาคือขั้นวิปัสสนาเราก็จะสามารถบรรลุอริยามรรคผลขั้นต่างๆได้ตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอาหารหันต์ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นถึงจะสามารถ ขึ้นสูงขั้นอริยมรรคอริยผลได้ปัญญาในที่นี้ก็คือการเห็นอริยสัจสี่นี้เองเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงในสิ่งที่ไม่สามารถไปควบคุมบังคับเขาไดา้เช่นร่างกายนี้เป็นตัวอย่างเรามีความอยากในร่างกาย ในร่างกายที่เกิดแก่เจ็บตายแต่เราอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่ไปควบคุมบังคับได้เพราะร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรานั่นเองเมื่อเราไปยึดติดกับสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแล้วก็เกิดความอยากเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดทุกข์ขังขึ้นมา นี่คือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดจากความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปตามความอยากได้พอพอไม่เป็นไปตามความอยากไม่สมหวังก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจเวลาที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้จะทุกข์ทรมานใจมากเพราะตัณหาความอยากนั่นเอง แต่ถ้าเรารู้ด้วยปัญญาว่าเราอยากไม่ได้กับสิ่งที่ไม่เที่ยงกับสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเราต้องละความอยากนี้ให้ได้ต้องปล่อยร่างกายให้เป็นไปตามเรื่องของเขาปล่อยให้เขาแก่ให้เขาเจ็บให้เขาตายไปถ้าปล่อยได้ด้วยปัญญาเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยแล้วจะไม่ทุกข์ปัญญาก็จะสอนใจ เมื่อใจเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากความยึดติดในร่างกายถ้าไม่อยากทุกข์ก็เพียงแต่ปล่อยไปเท่านั้นเองปล่อยให้ร่างกายเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเพราะเขาไม่ใช่ตัวเราของเรานั่นเองถ้าเราเห็นด้วยอา น, นิจเห็นัใจรักเห็นอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาด้วยปัญญาใจของเราก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบาันได้ บรรลุท่านสูงต่อไปตามลำดับได้ด้วยอาํานาจของปัญญาถ้าได้บรรลุขั้นอริยะผลแล้วจะไม่เสื่อมลงมาเหมือนกับขั้นสมาธิขั้นสมาธินี้ใจจะเสื่อมลงมาได้จากพรมมาเป็นเทกเป็นมนุษย์แต่ขั้นอริยะบุคคล น, นี้จะไม่เสื่อมและจะตัดภพชาติให้น้อยลงไปตามลำดับ ขั้นโสดาบันนี้ก็เหลือเพียงเจ็ดชาติเป็นอย่างมากขั้นสกดีดาคามีขั้น ท, นที่สองนี้ก็เหลือเพียงชาติเดียวที่จะกลับมาเกิดในภพของมนุษย์ขั้นอาณาคามีนี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะเป็นพรหมอยู่แต่เป็นพรหมที่ต่างจากพรหมที่ได้จากสมาธิเป็นพรหมที่ได้จากปัญญาที่ไม่มีวันเสือ่อมและจะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ ได้ในในขณะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นโคมนั่นเดนินี่คือเรื่องของอนิสงส์ที่เกิดจากการที่เรามาวัดในวันพระมาทำบุญให้ทางมารักษาศีลระดับต่างๆรักษาศีลห้ารักษาศีล8รักษาศีลสิถ้าเป็นสมนัมเณรรักษาศีล227ิถ้าเป็นพระภิกษุ แล้วก็ปฏิบัติเจริญสติปริกวิเวททำใจให้สงบเป็นสมาธิออกจากสมาธิมาก็ให้พิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่สามารถไปสั่งเขาได้ไปห้ามเขาได้ทำได้ใจก็จะบรรุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมา นี่คือผลที่พวกเราจะได้รับกันในชาตินี้และชาติที่จะตามมาต่อไปถ้าเรายัางไม่สามารถตัดภพชาติให้หมดสิ้นไปได้ในภายในภพนี้จึงขอให้พวกเราจงมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนและในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนว่าเป็นการกระทาที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเรา เป็นการที่จะทำให้เราได้รับผลที่เลิศที่เปรฐที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถให้กับเราได้การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนาตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ